วิธีการนี่ก็คือการได้ฝึกฝนความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเป็นเป็นกิจกรรมหลักของชีวิตเพราะหลังจากที่เราได้ทอดทิ้งการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เกิดจนถึงมาได้เห็นคุณค่าของมันเมื่อเร็วๆนี้ <c oughs> แล้วก็นำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาชีวิตด้านในซึ่งบางคนก็เริ่มมายาวนานบางคนก็เพิ่งเริ่มคนที่เริ่มมายาวนานแล้วก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างขึ้นอยู่กับว่าทำถูกหรือไม่ถูกนะ ทาเองก็เริ่มมาตั้งแต่ปีพศ220พ่ทำมาเรื่อยๆซึ่งก่อนหน้านั้นก็ทำาการศึกษาพศ2 1 0พัถึงนีการศึกษาภาคร์ปริยุต์ทฤษฎีอะไรต่างๆเรียนจนหมดก็ทำให้ ได้มาศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆนก็นนได้สังสมความเข้าใจในการสังเกตซึ่งมาดูแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปก็ทำให้เห็นเส้นทางของ ชีวิตจิตใจของแต่ละคนว่ามันเริ่มจะเริ่มต้นอย่างไรแล้วคนจะสิ้นสุดอย่างไรซึ่งก็ในประสบการณ์อันนี้ก็ทำให้ได้เห็นเส้นทางชีวิตของตัวเองว่ามันมีความไม่เข้าใจเป็นหลักใหญ่ทำให้ชีวิตของเราต้อง ขึ้นๆลงๆลงสุขๆทุกๆดีๆายๆสลับกันไปเรื่อยๆแต่โดยที่เราอาศัยหลักคำสอนของพระพุทธเจาวว้าว่าได้เห็นในสิ่งที่เราทำและได้ทำในสิ่งที่เราเห็นมันก็จะง่ายแต่ที่มันยากก็คือเราไม่เห็นในสิ่งที่เราทำและทำในสิ่งเราไม่เห็น มันกลายเป็นเรื่องยากของชีวิตอย่างทั้งที่คําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ยินได้ฟังมาหลายชั่วคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ฟังกันมาถ่ายทอดกันมาแต่เราก็ไม่ไม่ประจักษ์ชัดว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นได้ศึกษาถ่ายทอดมาให้เราเนี่ยมันจะนําชีวิตของเราให้ไปสู่ความเห็น ความเข้าใจที่ถูกต้องจนก็ทั่งเราต้องม า, าประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆแล้วก็ลืมหาหาทางออกว่าวเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็ลองลองมาหลายหลายทางไม่ว่าการให้ทานการักษาสินการเจริญภาวนาแต่ว่ามันก็ยังไม่สนิทใจนะมันก็ยังมี ทางที่ให้เราได้สงสัยได้คิดต่อกันอยู่แม้กระทั่งเรามาพบในวิธีการวิปัสสนาแบบนี้แล้วก็ตามเราก็ยังลังเลอยู่ไม่อยู่หย่อนเหมือนกันดังนั้นเองเมื่อได้พบกะะัลยาณมิตรท่านผู้รู้มาบอกมากลามาย้ำมาเน้นเรื่องเหล่านี้แล้วก็มาประกัน เราก็ได้มาพิสูจน์มาศึกษานะบางคนก็เริ่มเริ่มเข้าใจและมั่นใจบางคนก็ยังไม่มั่นใจนะบางคนก็อยู่ในขั้นทดสอบขั้นศึกษาอยู่บางคนในขั้นทดลองอยู่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีสติปัญญามีอัตตาเป็นของตัวเองนะซึ่งจะ รับอะไรแต่ละอย่างก็ <c oughs> คงต้องใช้สติปัญญาของตัวเองพอสมควรก็ถูกต้องแล้วที่ต้องเป็นอย่างนั้นเพระฉะนั้นแต่ละคนก็จะหาทางเหมาะสมของตัวเองในฐานะเราเป็นมนุษย์มันก็จะมีสติปัญญาระดับหนึ่งที่จะสั่ตัวเองใหอ้อยู่ในสถานภาพที่อยู่ได้ ยอมรับได้แต่เมื่อเรามีความพร้อมอะไรหลายๆอย่างมีครอบครัวมีหลักฐานมีวงตระกูลมีการศึกษามีการงานอาชีพอะไรพ อ, ออยู่ได้แล้วเนี่ยแต่ชีวิตมันก็ยังไม่ไม่หายไม่หายจากปัญหาไม่หายจากความทุกข์ <c oughs> ก็ยัง <c oughs> มีความทุกข์ ภายในเผาผลาญอยู่ประจำเลยเลยก็ออกมาแสวงหาทางเส้นนี้ดูซึ่งก็ไม่ง่ายในทางสติปัฏฐานที่เราศึกษาก็มีหลายคนพูดหลายคนสอนหลายวิธีการซึ่งก็ต้องทำให้เราต้องพิสูจศึกษากันอีกใช้เวลา ย, ยาวนานอันนั้นมาถึงณนะวันนี้หลายคนเริ่ม ลืมแน่ใจโดยเฉพาะคนที่ไปมาหลายๆทางแล้วเนี่ยว่าทางนี้น่าจะเป็นทางสุดท้ายสำหรับเราถ้าหากว่ามาทางเส้นนี้แล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นก็จะต้องเลิกกันโยมที่อเมริกาคนหนึ่งแกบอกว่านับถือพูดก็ถือมานานแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้ พอมาเจอวิธีนี้แล้วก็เลยตั้งใจว่าเอาลองพิสูจน์อีกสักสาเดือนถ้ามันเหมือนเดิมก็ไปเป็นคลิปดีกว่านะดูมืนเป็นคลิปู้สึกเขาจะมีอะไรสนุกสนานเขเมื่อพิสูจน์มาศึกษาได้ประมาณเดือนเศษเขาก็ได้รับคําคตอบในที่สุดก็ตั้งใจทําเขาก็พบเส้นทางเขาดังนั้นอันนี้บางครัง้งบางคราวมันก็ถึงจุด ที่เราจะต้องทําใจอย่างนั้นจริงๆแต่มันก็เป็นจุดเสี่ยงมากๆถ้าเกิดไปเจอกระไรนิมิต เ, เจอวิธีการที่มันไม่เ อ, อื้อัดที่จะท้าต่อการพิสูจน์อย่างนงั้นปับเราก็ต้องไปอีกทางนึงจริง ๆ, ๆนะนสาหรับเราทุกคนเราโชคดีนะซึ่งมาเองได้ใช้เวลาใ น, นช่วงหนึ่งในการศึกษาประสบการณ์ดูว่ามนุษย์หลายๆ เผาหลายพันหลา ย, ลายสี่โลกเนี่ยมันจะมีะความเหมือนความต่างกันอย่างไรเมื่อได้ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นว่ามันก็ไม่ต่างกันถ้าสี่ัหเหมือนกันไม่ต่างกันต้องการร <c oughs> ักตัวกลัวตายเหมือนกันหมดทุกคนนะเมื่อนั้นก็มีปัญหาอยู่เรื่องเดียวเนี่ยเราจะพ้นจากความกลัวตายได้อย่างไรนย พนจะความกลัวเกิดกว่าเกลกลัวเจ็บกว่าตายได้อย่างไรมันก็เลยง่ายขึ้นในการที่จ ะ, ะยืนยันบอกกับท่านทั้งหลายว่ามันมีทางอื่นเลยเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้เอกายนุมโมโคสตานังวิสุทธยาเราก็ยังหลังเลอยู่ว่าเอทางนี้บอกว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นนะไม่มีทางอื่นนะที่จะพบความสะอาดบริสุทธิ์ของชีวิตที่จะพบกับความ ไม่ทุกกายไม่ทุกใจที่จะพบความกัดข้ามพ้นจากความโศกเศร้าพิไลธรรมพัน์ที่จะพบกับกันพ้นทุกที่จะพบกับความเยึกเย็นที่สุดเนะี่ยไม่มีทางอื่นเลยนอกจากทางนี้แล้วนั่นก็ฟังมานานนะแต่เราก็ไม่มั่นใจเพราะเราก็เห็นตัวอย่างหลายหลายท่านที่เคยผ่านมาทางนี้ก็ไม่เป็นอย่างที่ตำราว่าไวนะซึ่งตรงเนี้ยใน บานราเมืองเราก็มักจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เข้ามาสอดแทรกให้เราลังเลอยู่เป็นประจำํำว่าท่านนั้นปฏิบัติมานานเท่านั้นยังเป็นอย่างนั้นท่านนี้ปฏิบัติมานานเท่านี้ยังเป็นอย่างนี้อะไรเราก็เอาตัวนี้เข้ามาเปรียบเทียบซึ่งเราลืมไปว่าในหลักการนั้นเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวใครตัวมันจะเอาคนอื่นเป็นบระทัาฐานยังไม่ได้ เดี๋ยวต้องหากฑ์พอดีของตัวเองนะว่าเราต้องการอะไรนะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องหาจุดยืนของตัวเองให้เจอเสก่อนจริงๆเราต้องการอะไรต้องการความสงบหรือต้องการความไม่สงบต้องการความคิดหรือต้องการความรู้ต้องการความร้อนหรือต้องการความเย็นต้องการความมืดต้องการแสงสว่างต้องหาบางครั้งเรา หาคำตอบที่ถูกแล้วนะเราหาคาตอบที่เป็นฝ่ายบวกทั้งหมดแต่ทำไมการทุ่มเทการอุทิศชีวิตเพื่อเพื่อจุดที่เป็นบวกที่เราเลือกแล้วเนี่ยยังไม่เต็มที่อีกล่ะเรามั่นใจว่าเออการมีสติสัมผัญยะรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันเป็นทางเอกแต่เราก็ยังไม่มั่นใจทำไมทุ่มเทต่อต่อจุดนี้เราก็ยังเอื้อต่อจุดที่เราไม่เลือกอีกเช่นเรา ความคิดปรุงแต่งนะเราไม่เลือกแต่เราก็เอื้อต่อมันเรื่อยๆชีวิตที่มันเร่องสงบก็ไม่สงบเราก็ไม่เลือกความไม่สงบเราเลือกความสงบแต่เราก็เอื้อความไม่สงบได้เรื่อยๆเหมือนกันชีวิตที่มันปรุงแต่งรู้ว่าเป็นเหตุของทุกชีวิตที่ไม่ปรุงแต่งเป็นเหตุของไม่ทุกเราก็ยังเลือกชีวิตที่ปรุงแต่งอยู่เออแล้วน่าสงสัยว่าทําไมเราจึงเลือกในส่วนที่เราไม่ต้องการ แต่ส่วนที่เราต้องการเราทาไมไม่เลือกเราทายากทำเย็นเหลือเกินเพราะอะไรเนี่ยบางครั้งเป็นน่าสงสัยนะเราก็ไม่กล้าทุ่มเทพเพราะอะไรเราก็ไปโทษเรื่องอื่นนะโทษว่าวาสนาบาลามีไว้พอบางกรรมเยอะบางกิเลสหนาปัญญาหยาบบางเราเริ่มไปออกไปทางนั้นอีก <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะแก้แบบนั้นได้ แต่ว่าในเมื่อเราเห็นว่าชีวิตในฝ่ายที่เป็นกุศลในฝ่ายสงบในฝ่ายไม่ปรุงแต่งในฝ่ายสว่างในฝ่ายสะอาดเนี่ยมันศาสดานักบุญศสดาทุกขท่านก็บอกว่ามันเป็นทางที่ดีแต่แล้ยเงก็เดีวก็เริไม่ลงใจอยู่ดีเ <c oughs> <c oughs> พราะอะไรตัวนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราสงสัยนะ ฉะนั้นเองเราจึงมาศึกษาศึกษาเบื้องต้นเนี่ยท่านให้ลงไปดูว่าเรายัางติดขัดตรงไหนที่ที่ยังทุ่มเทยอมรับจุดที่ดีที่สุดของที่เราเลือกแล้วยังไม่ได้เต็มที่ท่านก็ทําเป็นหลักการขึ้นมาว่าหเราจะต้องเปิดประตูของสมาธิิฐให้ได้ปิดประตูสักยัตทิฏฐิให้ได้ นี่เงื่อนไขอันที่หนต้องเปิดประตูสมาธิิฐให้ได้ที่เรายังเลือกไม่ได้เต็มที่เพราะเรายังเห็นไม่ถูกนั่นเองเราเลือกแล้วแต่ยังเอาไม่ถูกเพราะเรายังไม่ได้เปิดตาดวงตาแห่งสมาธิิฐเรายังดวงตาเลยไม่เปิดเพราะนั้นภารากิจแรกที่สุดจึงเป็นภารกิจที่เราต้องเปิดดวงตา ต, ต, าตัวเองให้ได้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังยังเปิดให้เราไม่ได้เราต้องเปิดเองเลยทีนี้ แล้วจะทำอย่างไรก็ต้องมาศึกษาอย่างที่เราทํากั น, นคือมาเปิดดวงตาใจโดยเฉพาะในพอสใอหม่เนี่ยเราต้องเปิดใจใหม่แล้วก็อะไรที่เราทําด้วยความไม่มั่นใจละ่ะต้องต้องมั่นใจอะไรที่เราทำหยาบหยาบลวกๆวต้องเริ่มละเอียดถี่ถ้วนละอะไรที่เราต่อรองในสิ่งจะเอาสิ่งที่ดีๆใส่ตัวเองน่ะ ยังต่อรองอยู่จะเอาไม่เอามาถึงจุด น, นี้ก็น่าจะยกเงินไขหลายอย่างออกได้ลวไม่ต้องต่อรองทุ่มเทลงไปแต่ว่าหลักของการกระทำเพื่อให้เกิดดวงตาในหรือดวงตาสมมทิฐิส ม, มาปัญญานเนี่ยคือจะต้องทำความเข้าใจแล้วแล้วเล่าเล่า ว, ว, ว่าตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราเราทำอยู่เนี่ยมันคือแสงสว่าง ที่จะนาพาให้เราได้ได้ดวงตาเราเห็นสองนะเราต้องมั่นใจว่าเราได้เปิดดวงตาได้ได้แล้วจริงๆนะแสงเมื่อแสงสว่างมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเรายังไม่เปิดดวงตาแสงสว่างก็ไร้ประโยชน์นะดังนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ที่มีอยู่ขณะนี้ทุกคนที่มีอยู่เนี่ย มั่นใจว่าเราทำได้เราสัมผัสได้ทุกคนเข้าใจได้นะแต่ที่นี้ตัวดวงตาที่จะเห็นแสงสว่างตามความเป็นจริงนี่แหละมันสำคัญสาคัญว่าแสงสว่างถ้าเราลืมตาขึ้นมาทันทีแต่เลามาพบแว่นตาที่เขาสวมให้เป็นอีกสีหนึ่งมันไม่ใช่สี ธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังสวมเวทตานั้นอยู่ยอันนี้สําคัญมันแสงเห็นแสงสว่างมันเกิดแต่มันเห็แสงสางอีกสีหนึ่งแทนที่มันจะเป็นสีแสวงแสงสว่างมันกลับจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีลุงไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอด ต, ตัวนี้ออกให้ได้ตัวนี้เขาเรียกว่าสักยัติทิฐินะคือสําคัญมันหมายว่าเรา เป็นอันนั้นเป็นอันนี้คือเรียกไปเห็นลืมตาขึ้นแล้วเนะี่ยแทนที่จะเห็นปรามัดเรายังไปเห็นสมมติอยู่คือเห็นตัวเราว่าเป็นเรานี่แหละแต่ความจริงตัวเรามันไม่มีใช่ไหมแต่เราก็ยังเห็นตัวเราว่ามีอยู่ดีตรงนี้คือมันยากนะทีนี้คือดวงตาที่เรื่องเปิดตัวนี้ให้ได้ทุกคนนะไม่ว่าคน เปิดตาได้หรือเปิดตาไม่ได้แสงสว่างมีอยู่แล้วคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีมาแต่เกิดแล้วแต่ทําไมเราจึงทําให้เขาสว่างสวัยหรือทั่วพร้อมตลอดเวลาไม่ได้เพราะตรงนี้แหละคือดวงตาเราจึงไม่สมบูรณ์ดังนั้นในประตูเบื้องต้นเนี่ยมักเบื้องต้นเนี่ยท่านจึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเพื่อให้มั่นใจว่าเราละสักยทิฏฐิได้ เรเอาหลักตัวสมาธิทีเนี่ยมามาเป็นหลักบอกเบื้องต้นว่าคุณต้องได้สมาธิเนยะนันในมรรคในองค์แปดน่ยท่านจึงเอาตัวความเห็นที่ถูกนี่แหละมาเป็นหลักเบื้องต้นเลยเนการเปิดดวงตาเพราะนั้ น, ด, น, น, นดูตัวเราเนี่ยเป็นอะไรนะดูตัวเราเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งของอะไรเป็นที่ตั้งของความสุขหรือเป็นที่ตั้งความทุกข์ เป็นที่ตังของความมืดหรือเป็นที่ตั้งของความสว่างและตัวเราที่สมมุติว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นอะไรแท้ๆมันเป็นอะไรต้องต้องตีโจทย์ตีบทตัวนี้ให้แตกจริงนะถ้ามันคําตอบออกมาว่ามันเป็นเราเป็นตัวกูของกูอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นคําตอบที่ผิดมาตลอดหละมันจะต้องออกมาเป็นเราจะว่าตามพระสอนว่ามันเป็นท่าสีขันห้าเป็นรูปเป็นนาม แต่ถ้าหากว่าคำตอบมันั้นมันไม่ใช่คำตอบจากส่วนลึกๆของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีมันก็เป็นเพียงสัญญาเป็นความจำมันหนึ่งเท่านั้นทีนี้ไอ้ดูตัวเนี่ยตัวที่เรียกว่าเราสมมุติว่าเราเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นที่เห็นที่ถูกต้องจริงๆมันจะเป็นยังไง <c oughs> ในห่วงของความรู้สึกเนี่ยมันจะต้อง เราอยู่โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้สมมติอันนี้นะที่จะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสิ่งอื่นนะในห้องสมมุติของเรานะ่ยมันจะต้องเป็นรูปเป็นนามจรงิงๆไม่ใช่เป็นรูปเป็นนามที่เราจําว่าเคยได้ยินมาแต่รูปนามมันนี้มันจะทําหน้าที่เป็นสมมุติตอ่อเมื่อมันต้องเกี่ยวข้องคนอื่นสิ่งอื่นเท่านั้นแต่ในเมื่ออยู่ในการอยู่ด้วยตัวของมันเองเนะี่ยในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็อยู่กับตัวเองเนี่ยอันไหนมากกว่าต้องตรวจสอบตรงนั้น อันไหนใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นคนอื่นกับอยู่ด้วยตัวของเราจริงๆเนี่ยเราใช้เวลาอันไหนมากกว่าในแต่ละนาทีตัวงนี้ตรวจสอบให้ละเอียดถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นสิ่งอื่นสมมุติก็ยังจำเป็นอยู่นะ แต่ถ้าไม่เราไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นสิ่งอื่นไม่จำเป็นต้องใช้เลยสมมตุติต้องกลับมาอยู่กับตัวตัวตัวแท้ของเราเราจะสมมุติว่าเป็นปรามัดก็ได้เราสมมุติว่ามันเป็นรูปเป็นนามสมมุติว่าเป็นความรู้สึกก็ได้ถ้าจ้ากลับมาอยู่ความรู้สึกต้นรู้ว่านี่จริงๆไม่ไม่มีในห้องสมมํานึกว่ามีเราอยู่เลยนะ มันเป็นความรู้สึกตัวร้วนๆจริงๆและในความรู้สึกตัวร้วนๆเนี่ยมันมีอะไรอ่ามันมีอะไรมีทุกสมูทัยนิโรธมักหรือว่ามีอนิจังทุกขอังอนัตตาอยู่มีที่เราสัมผัสขนาดเนี่ยองดูมันดีๆระหว่างทุกขในอริยสัจกับทุกขในใจรักเนี่ยตัวเดียวกันคนละตัว อ่าตัวนี้พระกวตามหลักวิชานี่ยนะทุกในอริยสัจกับทุกในใจรักเ น, น, นี่ต่างกันอย่างไรเพราะต่างคนก็เริ่มต้นโดยอ่อย่างนั้นในใจรักมันก็มีทุกขังอนิจจังนัโราในอริยสัจก็มีทุกสมุทัยนิโรธมากเรารู้จักตัวไหนสองตัวเนี่ยเราจุบทุกตัวไหนอ่า คุณโอลานคุณรู้จักทุกตัวไหนสองตัวเนี่ยคุณตอบได้ไหมไม่ได้คุณเข้าวัดมานานแล้วนะฮะทุกขงังอันนี้จากหน้าตาอือคุณโอลานไม่รู้เลยเหรอ่ะ้เสียเวลาเข้าวัดจริงๆนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้ทุกที่มันเกิดเนี่ยปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเออเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงเนี่ยถ้าดูมันเป็นทุกสักแต่ว่าทุกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทุกในอริยสัจทนันทีทุกสักตว์ความรู้สึกที่รู้สึกได้ไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นไม่มีฉันปวดไม่มีฉันเจ็บไม่มีฉัน เมื่อมีฉันเบื่อไม่มีฉันเซ็งไม่มีฉันชอบไม่ชอบตรงนี้มันก็จะกลายเป็นทุกข์ในยถาสัตว์ได้ทันทีมันทุกทุกสัตว่าทุกข์นะแต่ถ้ามื่อไรว่าโอ้ทุกข์นี้น่าเบื่อเหลือเกินปวดขาเหลือเกินฉันไม่ชอบเลยทุกข์ตรนั้นกลายเป็นทุกข์อะไรทันทีทุกใจรักทันทีเลยนะเพราะมันเริ่มมีตัวกูของกูในตรงนั้นเลยนะเห็นไหมทุก ในแต่ละเป็นทุกแบบสมมุติที่มันเกิดว่าฉันปวดฉันไม่สบายฉันหงุดหงิดฉันลำคาญฉันชอบฉันไม่ชอบตรงนี้ตรงนี้คือเรายังมองไม่เป็นสมาธิทีเลยแต่ถ้าเมื่อดูแต่ว่าคนอาจารย์ทั่วไปบอกว่าอันนี้มันอนิจจทุกขังอัตตาไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเนยมันค้ากันนะ ทุกที่เราอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่อนิจังรูกขังตะแต่ถ้าเราจะรู้ปรามัดเขามือน่ะมันสักว์ทว่ารู้สึกว่าไม่สบายเท่านั้นเองไม่มีผู้ไม่สบายอ่าแต่ถ้ามื่อไรมันมีผู้สบายไม่สบายขึ้นมาตรงนั้นแหละมันจะเป็นใจรักขึ้นมาแต่ถ้ามันมีแต่รู้สึกว่าเออสมมุติอย่างเงี้ยรู้สึกเงี้ยเขาสมมติว่มันปวดนะก็รู้ว่ามันปวดซื่อๆเท่านั้นเอง ทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้ก็ขยับขยี้นิ่หน่อยให้มันรู้แล้วก็ดูมันต่อไปแต่ว่าส่วนใหญ่พอเราพอมันไปกลายไปเป็นทุกของเราเสร็แล้วเนี่ยโอ้มันเกิดัวทุกข์ข้างในขึ้นมาเลยอ้าโอ้ไม่ไหวอย่างงันนี้ขึ้นมาแล้วจิตมันก็ไม่รับรู้ตรงนี้ละไม่รับรู้ทุกตรงนี้ละมันก็จะได้ยินเสียงเพลงใจก็จะไปเอาเพลงมากล่อม ได้เห็นอะไรข้างหน้าเฉยก็จิตก็จะพุ่งไปสิ่งที่อยางหน้าเลยลืมทุกตัวนี้ทันทีเลยเพราะไม่อยากจะอยู่กับมันหรือบางทีจิตกวัดแกงไปอดีตใอนาคตหาเรื่องอื่นมาลำดับแล้วก็ลืมทุกตัวนี้ไปเลยเราไม่ได้สังเกตไม่ได้เฝ้าดูอาการของทุกไม่ได้ศึกษาอาการของทุกที่ปรากฏเนี่ยแต่เราพยายามหนีมันตรงนี้มันไม่เป็นสมาธิแล้ว มันกลายเป็นสักยทิฏฐิทันทีนั่นคือข้อผิดพลาดเบื้องต้นของเราเพราะเราดูทุกอย่างผิดเลยแทนที่จะดูความไม่สบายนีย่มันมันคือความไม่สบายมันไม่ใช่เรามันคือความไม่สบายหรือ ว, ว่าทุกข์แต่พอเราไม่ทันมันปั๊บเนี่ยไอ้ตัวไม่สบายทุกข์ตัวนี้มันแปลงเป็นอะไรทันทีรู้ไหม แปลงเป็นโทมนัสทุกขโทมนัสทันทีเลยโทมนัสคือความไม่สบายความไม่สบายของกายเนี่ยลุกล้ํากินเนื้อที่ของใจเข้าไปละเป็นโทมนัสคือว่าไม่สบายใจแต่ในนั้นเขาบอกว่าทุกขโทมนัสสานังอัดถังขมายะเมื่อมีสติรู้เท่าทันแล้วเนี่ยมันอัดถังขมายะคือมันตั้งอยู่ไม่ได้ความไม่สบายกาย ที่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความไม่สบายใจก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะรู้เท่าทันปับ๊บมันกลายเป็นศัพทว่าทุกข์ของกายก็ไม่ใช่ของจิตก็ไม่ใช่มันก็คืออาการอันหนึ่งที่เราสมมุติว่วา่าคือความไม่สบายความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวแล้วแต่เราจะสมมุติให้มันแล้วทีนี้เราก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะเผอไปเป็นดู ทุกนั่นเป็นเราบ้างช่างมันทิ้งไปกลับมาดูมันเฉยๆใหม่ก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ถ้าถ้าเมื่อใดความทุกข์ความไม่สบายทางกายมันเผลอไปเป็นเราเผลอไปว่าทุกขของเราขาของเราปวดอะไรเนี่ยมันก็จะคิดไปให้รู้ว่าเออในะรู้รู้ไม่ถูกแล้วนะเพราะมันสัญญาณออกมาว่าเราเราไม่สบายใจด้วยทำไมจะรู้ว่าสบายใจเพราะมันเริ่มคิดหาอะไรบางอย่างเป็นทางออก ส่งใจไปเพลินกับเสียงเพลงซะส่งใจไปดูอันนั้นเล่นๆไปซะส่งใจไปทำอะไรสักอย่างนเพื่อที่จะลุมทุกตัวนี้ซะนี่ว่าทุกที่เราหลบเราเลี่ยงทุกที่เราพยายามหนีถามว่าใช่ไหมไม่ใช่แต่ในหลักของนีเสีทุกต้องอะไรต้องรู้ทุกต้องศึกษาทุกต้องเข้าใจทุกต้องวิจัยวิเคราะห์ ทุกต้องสังเกตเน่ท่านบอกว่าเนี่ยในกิจของทุกในยศ ท, ท, นน ท, นทุกต้องกําหนดรู้นะท่านเท่ากับทุกต้องกําหนดรู้แต่ในตัวคําว่ากําหนดรู้เนี่ยมันออกมาเป็นทุกต้องเราศึกษาต้องเข้าใจต้องสังเกตต้องเฝ้าดูต้องตามรู้นี่ถ้าทุกในทุกส่วนของร่างกายทพยายามศึกษาแบบนี้นั่นเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วแต่ว่ามันจะโดย บางครั้งบางคราวโดวยถาวอนเทมปอรีหรือว่ามันเป็นโดยตลอดเนี่ยต้องศึกษาไปเรื่อยๆตัวแรกมันก็รู้บางไม่รู้บ้างไปก่อนสลับกันรู้ถูกบ้างรู้ผิดบ้างเราก็ด้วยการศึกษาบ่อยๆทําบ่อยๆเล่นไม่เลิกเนี่ยมันก็เริ่มหันเข้ามาดูเฉยๆได้จิตมันเริ่มดูทุกเฉยได้แล้วก็ทุกอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นตอนที่มานั่งมันก็ทุกทุกอริยบทแหละตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับมันมีอยู่ตลอด แต่เราที่จะเข้าไปดูทุกข์ตรงนี้เป็นลักษณะสักว่ารู้สึกไม่สบายเนี่ยสักกี่เปอร์เซนต์ต่อวันต่อชั่วโมงและเราหลงเข้าไปเป็นทุกข์กับมันเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ต่อวันต่อชั่วโมงโอ้ถ้าเทียบกันอย่างนี้แล้วก็น่าตกใจเลยนะเก้าสิบเปอร์เซนตมันเข้าไปอยู่กับทุกข์เราของเราหมดพยายามจะหนี เพราะฉะนั้นพอทำไมเราจะต้องมาฝึกฝนแบบนี้ทำไมต้องมายกมือแบบนี้เพื่อที่จะเพิ่มการตามรู้ตามดูอาการของทุกเนี่ยให้สัตว่าให้มันเป็นสัตว์ให้ได้เมื่อเรารู้อาการชัดๆที่ปัจจุบันที่มันทุกอยู่สัตวะเป็นแล้วเนี่ยต่อไปสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็สัตว์เห็นได้ต่อไปสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะสัตวะได้ด้วย ต่อไปสิ่งที่เรารู้ในจิตในใจมันก็สัตว่าได้ด้วยแต่ประการสําคัญต้องมาสัตวะไอ้ตัวที่เราสัมผัสมันชัดๆณจุดนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าทําไมมานั่งกรรมาฐานท่านทําให้ทําซ้ซําๆ ซ, ซากๆแต่กับสิ่งนั้นนานๆเพื่อให้จิตของเราได้คุ้นกับไอ้ความทุกข์ที่เราจงใจให้มันเกิดเนี่ยในฐานะว่ามันสัตตว่าให้ได้อืมเราก็ เพื่อที่จะใช้เวลาส่วนนั้นมาทําอันนี้เรายอมเสียสละเวลามาการงานหน้าที่ความสะดวกสบายความสนุกสนานต่างๆเพื่อที่จะมานั่งทําแบบเนี้เพื่อให้จิตมาสัมผัสกับทุกสักตวว่าทุกนี้ให้ได้เพราะถ้าหากเราทาตรงนี้สําเร็จอีกหลายจุดเนี่ยมันจะเอื้อขันหมดเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า จุดตัวเนี้ยมันต้นกําเนิดที่จะไปสู่มุดทางแห่งมรรคและผลเมื่อไรเห็นสัจธรรเห็นได้ยินสัจธรรยิ น, นรู้สัจธรรรู้เมื่อ น, นั่นแหละนั่นคือต้นตรอแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดุดแต่การที่จะไปเห็นสัจเห็นได้ยินสัจรู้สัจตรรรู้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดและยากเราต้องมาทําไอ้ตัวรู้สิตัวที่เราเห็นชัดๆนี่ก่อนมีความไม่สบายเนี่ยมันมีตลอดเวลา ไม่ใช่มันมีตอนที่เรามานั่งเท่านั้นแต่ว่ามันเล็กๆ็น้อยน้อยคอยสังเกตคอยศึกษามันไปเรื่อยๆเพราะนั้นไอาการตามรู้สิ่งเล็กๆล็น้อย น, นี่ยเพื่อที่จะดึงใจมาอยู่ปัจจุบันและใจมาอยู่ปัจจุบันมันจะมาสัมผัสทุกอันนี้เห็นทุกอันนี้ชัดๆไม่น่ากลัวแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับปัจจุบันชัดๆแล้วเนี่ยจิตมันมีทางออกเวลามันทุก ไม่สบายตรงนี้จิตมันก็แฉร์ลไปอดีตอนาคต น, นี่คือวิธีที่เราจะต้องทำแบบแบบนี้เป็นวิปัสนาแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีหลบทุกข์อีกแบบหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือไปทำสมถะทำจิตให้สงบเส้อเพื่อที่จะไม่รับรู้ไอ้ทุกข์ต่างๆที่มันเกิดเนี่ยมากมายเนี่ย ก็เป็นทางออกอีกแบบหนึ่งนี่เขาเรียกว่าสมถะก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่โค้เห็นว่าจะใช้คำพูดบ่อยๆมันเป็นทางที่ไม่ใช่ทางสมถะวิปัสนาเหมือนดูว่ามันจะไปได้กันได้แต่ความจริงไม่ใช่แต่สมถะอีกแบบหนึ่งสมถะแบบพุทธเนี่ยที่มันเกิดอเอืเอ้อกับวิปัสนาเนี่ยมันร่วมทางกับวิปัสนาอันนั้นคือ การมาดูรูปดูนามสักตวานี่แหละมันเป็นสมถะอันหนึ่งแต่เมื่อใดถ้าไปดูใจสักตวานั่นแหละมันจะเป็นวิปัสนาแต่เบื้องต้นให้ดูกายสักตวากายให้เป็นเสียก่อนอันนี้สมถะที่เอื้อต่อวิปัสนาแบบนี้แต่ถ้าสมถะเพื่อให้จิตสงบเพื่อหลบความทุกเวทนาทั้งหลายแล้วไม่ใช่ไม่ได้เอื้อต่อเวทนาไม่ได้เอื้อต่อวิปัสนาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นที่ทำการเก้าสเซนต์ทำสมถะเพื่อหลบ ทุกเลี่ยงทุกเกลื่อนทุกหลีกทุกเพื่อที่ไม่ยอมรับรู้เวทนามันมาทุกที่ทุกทางทำจิตให้สงบหลบมันไปซะเลยไม่ต้องไปเชิญกับมัน <c oughs> มันก็ไปได้นะและ้วก็นิยมทากันเพราะมันง่ายดีหลบไปหลับมาหลบไปหลับมาแล้วไปติดความสงบติดสุขนั่งกรรมฐ า, านปั๊บก็หลบเข้าไปสู่ความหลับไปเลยเข้าฌานไปเลย เราฤาษีเข้ามาทํามา ก, ก่อนพระุทธเจ้ากี่ร้อยกี่พันปีเข้าไปไหนไม่ได้กติอยูะแค่นั้นพะพุทธเจ้าก็ไปท่านก็ไปทดลองเข้าเหมือนกันนะสามารถหลบออกจากทุกข์ไปสู่ความสงบได้เกิดริดเด็ดปฏิหารดําดินบินบุนร่องหงอนหายตัวได้ท่านก็บอกมันไม่ใช่ทางท่านถึงได้เลิกไงแล้วก็กลับมาทําอันนี้ต ร, ตรงตรงชัดชัดซื่อซื่อใสใสเนี่ยก็ปรากฏอ๋ออันนี้คือทางเข้ามันคือกา ร, รเผชิญ การเผชิญหน้ากับทุกขไม่หลบไม่หลีกไม่เลี่ยงไม่หนีทกุก็คือทุกไม่ต้องไปนั่งหลับตาให้ยากลําบากไม่ต้องไปนั่งงุ้งหนีทุกไม่ต้องดูมันชัดๆนี่แหละถ้าหากว่าถึงจุด น, นีอออ้แล้วเราพอจะมองออกแล้วว่านั่นก็หมายความว่าเราไม่จําเป็นจะมานั่งกรรมฐานทําแบบนี้ให้รู้สึกเสมอไปเพราะทุกมันมีอยู่แล้วเนี่ยอยู่ยังไงก็ทุกก็เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักมันใช่ไหม เราก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงไปวิธีการต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เรารู้เ อ, อนี่คือกา ร, รเผชิญก็คือการทุกต้องรู้ทุกต้องเข้าใจทุกต้องตามรู้ก็ตามมันไปทุกที่เลยทีนี้ตามไปตามมาจนขึ้นขี่หลังมันได้ละแต่ที่แล้วแล้วมามันตามเรามันก็เหยียบเราอ่ะเราก็วิ่งหนียิ่งหนีมันก็ยิ่งตามเคยพ้นไห้วิ่งหนีทุกน่ะหนีมากี่หลีกี่โยอดแล้วเนี่ยหลีตั้งแต่แรกขึ้นหนีความไม่รู้ ก็ต้องเรียนหนังสืออ้าวพเรียนหนังสือพอมีวิชาแล้วแล้วก็หนีความเหงาโดยการไปหาแต่งงานเพราะความเหงาการการงานเนียอ้าววิ่งหนีอีกหนีจากครอบคัวก็ไม่พ้นมาเจอหนีสารพัดหนีแล้วเด็ยอ่าไม่พ้นหรอกทุกหลบทุกเรื่องทุกเนี่ยต้องมาเผชิญกับมันไม่ หนีไม่อยู่ไม่สู้ไม่ถอยหลวงพ่อเห็นพูดว่าเผชิญเลยนั่นก็คือมานั่งปฏิบัติแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆอันนี้เบื้องต้นนะเพื่อให้ดูทุกข์ให้เป็นเท่านั้นเมื่อดูทุกข์เป็นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จาเป็นต้านนมานั่งแบบนี้ก็ได้ที่บ้านมันมีทุกข์ให้เห็นตั้งเยอะแยะเลยตั้งตื่นนอนตนหลับสารภัตเดชข้ยิงเรา เจ็ป่วยไข้เนี่ยโอ้ยงยงดูทุกสนุกสนานมากแต่ส่วนแล้วก็หลบแล้วก็กลัวใช่ไหมดังนั้นเองโชคดีนะที่เรามาศึกษาเรื่องนี้ที่มาเผชิญทุกนะแล้วก็เมื่อรู้จากเผชิญทุกรู้จักทุกตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคิดว่าเมื่อก่อนเราจะปฏิบัติเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันไม่ต้องแล้วมันเป็นกิจกรรมในการรู้ทุกตามรู้ทุกเห็นทุก พนทุกมันเป็นกิจกรรมของชีวิตเลยทําเรื่องเรื่องพ้นทุกขตลอดเวลาเลยทีนี้แล้วในที่สุดเราก็ทุกก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นมิสกันสหายกันเป็นพาหนะของเราความทุกแทนที่มันจะเป็นไฟเผาเรามันกลับเป็นพาหนะของเราให้เราขี่ไปสูป่เป้าหมายไปสู่เป้าหมายให้เขาขเราขี่หลังมัน มันกลายเป็นเรือเป็นแพเป็นภานะให้เราได้อาศัยถ้าเราไม่มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ใจเนี่ยเราจะ อ, าอะไรขี่ไปนิพพานน่ะนะเมือนเราจะเดินทางเราจะ อ, าอะไรเป็นภานะเราจะข้ามน้าเราจะเรือเป็นเรือไม่มีตัวนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> นะดังนั้นทุกที่ปรากฏในกายไม่ต้องหนีเผชิญมันตามดูมันแล้วก็ทำความข้าใจกับมันไปนทุกต้องกำหนดรู้ไงท่านบอกสมุทย ต้องละอะไรคือสมุทยัยทุกทางกายต้องกําหนดรู้สมุทัยคือโทมนัตต้องละตัวนั้นสมุทัยคือโทมนัตต้องละตัวนั้นทุกขโทมนัตโศกปฏิเทวเป็นสมุทยัยร่างกายมันโศกไม่เป็นหรอกร่างกายมัน <c oughs> ปรีเรววนาการไม่เป็นหรอก ใจนะั่นนี่คือเป็นสมุทัยนิโรธคืออะไรอายายสะอธิคมายะนี่ยไงนิโรธต้องเข้าถึงธรรมที่ควรถึงธรรมที่ควรรู้ธรรมที่เราควรถึงธรรมที่ควรรู้คือคือที่จะให้เกิด น, นิโรธ ทำที่นี่เราควรจะทําอะไรที่จะคนถึงคนจะควรรู้ทําที่เราควรจะรู้ทําที่เราควรจะถึงคืออะไรยายะยายะปฏิปันโนเราสวดทุกวันทุวันปฏิบัติตามเพื่อเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อให้เกิดยายะปฏิปันโนปฏิบัติ ปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ใช่ไหมอ่าดังนั้นในที่นี้คือสติสมะยะเป็นธรรมที่ยาญาธรรมที่เราฝึกความรู้สึกตัวทุวพภ์เนะี่ยเป็นญาญาธรรมเป็นธรรมอันเราพึงรู้นี่เป็นเป็นตัวที่ต้องเป็นมักญายะเป็นมักยาญาปฏิปนูยาญาญาสัทิขมาย ะ, ายะตัวนี้เป็นมัก แล้วก็นิพานะชะส ก, กิริยาญยาทำพระนิพพานให้แจ้งอันนี้เป็นผลเห็นไหมที่ท่านเรียงเอาไว้ในสติปัฏฐานสูตรอ่ะเอกายานุ ม, มะโคสัตานังวิสุตติยสุขะ โ, โทมานาสาังอัตถังขมายาทุกัดสุขะบริเทวานังสมติกขมายาทุกัดนิพานชะสัิกระกริยาญาเนี่ยห้าประการนี่เห็นไหม อยู่ที่นี่หมดเลยนี่เป็นสิ่งที่เราทำกันเนี่ยทำสั้นๆง่ายๆแบบนี้แหละไม่ต้องไปคิดเปรียบเทียบอะไรเยอะเลยน ะ, ะเข้าถึงทำโหนถึง่คือสติสัมยัญือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวเนียเราจะต้องเข้าถึงก่อนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เป็นสัตวารู้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของกิเลสของความคิดของอัตตาตัวตนหรือของสกยทิฐิเป็นสติสัมยาของตัว มักผลสติสัสมยิที่ลุ้นล้วนที่ว่ารู้สัตว์ว่ารู้รู้ทุกอะทุกสักตว์ว่าทุกปวดสัตว์ว่าปวดไม่มีผู้บวดให้รู้เฉยๆเนี่ยเนี่ยเราจะต้องเราพึงรู้นะให้ถึงธรรมอันเราเราพึงรู้พึงถึงเป็นมักลิบฐานะสัจจิกิริยะเป็นผลละตรงนั้นเห็นไหมเป็นมักอ่า ทุกต้องกําหนดรู้สมุทัทยต้องละชัดนะทุกต้องกําหนดรู้ทุกใ น, นที่หมายทุกกายต้องรู้แต่ที่เราทําอยู่ทุกวันนี่ทุกกายเราก็หนีไปเรื่อยใช่ไมครัโทมนัสเป็นสมุทัทยต้องละแต่เราไม่ละความไม่สบายใจเราก็คิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนั้นคิดแล้วเพราะถ้ามันเพราะอะไรมันจึงคิดก็เพราะมันไม่สบายมันจึงคิด คนสบายไม่เคยคิดหรอกแต่ที่เราคิดเพราะเราไม่สบายเป็นโทมนั์โทมานต์ไม่ใช่ว่านั่งเป็นนั่งโศกนั่งเศร้าเงงงอยไม่ใช่อย่างนั้นนะโทมนั์เมื่อไหร่เราเรื่อมันคิดปรุงแต่งไม่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะโทมานต์มันเกิดแล้วใจมันไม่เป็นใจแล้วมันเป็นมันเป็นหนึ่งมันไม่เป็นหนึ่งแล้วงั้นแหละมันเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วว่าจิตปรุงแต่งเป็นโลกแล้วหลวงพ่เทียนให้ใช้คําว่ารูปโลกนามโลกจิตที่มันคิดเป็นนามโลกอืมเป็น โทมนัดเรื่องนี้ง่ายๆสั้นๆ น, นะแต่ทำไมมันทำยากเหลือเกินนะเพราะว่าเรายัางไม่คุ้นทำให้มันคุ้นเพะฉะนั้นพอสอนเนี่ยตั้งใจเอาไว้เลยว่าฉันจะเก็บนะความรู้สึกเอาไว้ดูทุกข์ให้มากที่สุดก็แล้วกันถ้าบางคนอาจจะคือมันไม่ใช่เรื่องยากใช่ไม การหยิบยับจับช่วยกันเคลื่อนการไว้กันไปการมากันอู้กันเหยียดกันอะไรต่างๆมีอยู่มีให้เห็นอยู่เร็วก็มีอยู่ช้าก็มีอยู่ผิดก็มีอยู่พลาดก็มีเห็นตลอดเวลานะท่านได้ตื่นนอนแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจลำดับไปมันก็จะเห็นชัดๆนะแต่ส่วนใหญ่เราข้ามข้ามข้ า, ม, ข า, ม, ขา ม, มันไปอาการเล็กๆน้อยๆอยเหล่าเนี้มาลีรีบไปอาบน้ํารีบไปล้างหน้าเดี๋ยวยายรีบไปนั่งสมาธิ เห็นไหมรีบแล้วอตั้งแต่ลุกขึ้นมาไปล้างหน้าไ ป, ไปแปรงฟันอะไรไม่เห็นเลยแล้วรีบไปทําเพื่อให้เสร็จเพื่อจะรีบมานั่งปฏิบัติเพื่อจะรีบนั่งสมาธิเราคิดว่าไอการมานั่งสมาธิการมาไหว้พระเนี่ยเป็นกิจจําเป็นแต่พอมาปฏิบัติแบบนี้แล้วจําเป็นตั้งแต่แรกตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยรู้สึกยังไงนุ่น ون. มันตั้งเตรียมตั้งแต่นุ่นแล้วอลุกขึ้นอย่างไรหายใจ ข้าออกสบายหรือไม่สบายกลายไปยังไงบิดไปยังไงไปยังไงเลียบเรียงไปตามลําดับดูว่ามันจะไปขาดตอนตอนไหนความผลที่จะไปตามอัตโนมัติที่เราเคยเป็นเนี่ยมันจะไปขาดตอนตรงโไหนตัวนี้ยังชัดอยู่ทุกขั้นตอนเพราะเพิ่งไปตั้งต้นใหม่ถ้าหากว่าไม่ไม่คอยกํากับไม่คอยเตือนตัวเองเหล่านี้บ่อยๆนะ การที่จะไปสู่เส้นทางสายนี้อย่างรวดเร็วเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นต้องเก็บเล็กประสมน้อยให้เป็นเศรษฐีที่เข้ารวยได้เพราะเก็บเล็กประสมน้อยรู้จักประหยัดแต่คนจนเนี่ยจนทั้งปีทั้งชาติทั้งตลอดชีวิตวมันเก็บเล็กประสมน้อยไม่เป็นมันจะเอาแต่ไอส่วนใหญ่มันมันข้ามเหมือนกัน คนที่เขารู้ทำจริงจริงจังแล้วก็ไปได้เร็วเนี่ยเขารู้จักเก็บเล็กผสมน้อ ย, ยไปเรื่อยๆนะเพราะเนี่ยไอ้ของใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึงมันเป็นไปเองเหมือนมันมันชัดอ่ะแต่ไอ้ตัวไม่ชัดเนี่ยหายหกตกหล่นไปหลอดภาษาอีสานมีคำอ่าม่ดูฟังขี้มอดขี้สร้างหลอดขี้มอดข้างีหนูฟังเข้าใจ เคยได้ยินไหมขี้สร้างรอดขี้หมอดข้างภาษาอีสานใครมาจากอีสานบ้างยกมือขึ้นคนลาวเอานุน่นยุ่งแก้วยุ่งแก้วหมายความว่าไงขี้สร้างรอดขี้หมอดข้างอธิบายให้คนเหนือฟังหน่อยคนอีสานสมัยใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องคนหนึ่งมาจากลาวอยู่ที่ไหนนุ่นนุ่มหรือมาจากลาว เคยได้ยินคำนี้บ่ว่าขี้สร้างรอดขี้หมดค้างเคยได้ยินบ่อ เ, เอาภาษาเจ้าได้ไง <laughs> <laughs> เป็นเราสมัยใหม่ขี้ช้างมันรอดได้แต่ขี้หมดมันเล็กที่สุดแต่มันค้างอะ่ะ <laughs> ใช่ไหมขี้ขี้ช้างเนมันใหญ่ใช่ไหมแต่มันรอดได้แต่ขี้หมดมันกลับมาค้าง หมายความว่าเราเรื่องสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยเรากลับไปติดเรื่องเนี้ยจับมันไม่ได้แต่เรื่องใหญ่ๆไปทําได้หมดแต่เรื่องเล็กเลน้อยจับไม่ได้ <c oughs> เออเรื่องนั้นข้ามไปหมดอ่าเนี่ยมันมันติดตรงนั้นที่หมดแล้ยมันค้างที่สร้างแล้วมันรอดไปทํามุ่งมุ่งแต่ที่จะเป็นเศรษฐีกู้ที่ละล้านที่แลแสนเพื่อมาลงทุนอ่า รอดไปเลยไปเอาเัินได้รอดไปเอานั้นจะไอ้ข้ามเงินเล็กเงินน้อยเงินห้าเงินสิบเงินสตังค์สองสตังค์เนี่ยไปโอ้รงนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นนะักพอสอนเนี่ยลองไปเก็บรายละเอียดกันแล้วกันนะลําดับดูไม่ต้องรีบการเจริญสติไม่ต้องรีบเอามาได้ประสบการณ์ของตัวเองเอามาเป็นคนรีบคนร้อนคนเร็วคนโอ้เรียกว่าใช้ไม่ได้ทีเดียวแต่เมื่อมันได้วิบาก รักวิบากกรรมจากความร้อนความเร็วความรีบ ม, มากเข้ามาเข้ามันเริ่มมาเจริญสตินะ่ะมันถึงจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนร้อนคนเร็วคนรีบนะถ้าไม่มาเจริญก็ไม่รู้เพราะเราเคยตนกนรกอะไรพวกหลายชาติก็ได้นไฟนโลกมันเลยติดมาไงมาทําให้เราเป็นคนรีบคนร้อนนะเลยทุกเพราะความรีบร้อนน่ะเนี่ยนั้นพอมาทําเรื่องนี้ปับนะ๊บโอตรงนี้เองที่เราตกนรกบกไหมามาตลอดก็เพราะขามตัวนี้ มันเริ่มเลยทีนี้หยิบหยิบหยับจับช่วยแล้วกลายเป็นกิจกรรมของชีวิตเริ่มสนุกนะเริ่มสนุกชีวิตมันก็ไม่ไม่พูดถึงเรื่องทุกข์ละเพราะอะไรเพราะมันสนุกกับการดูทุกข์อะแล้วมันจะทุกได้ไงแต่การสั่งสมตัวรู้สึกเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เราไปเห็นทุกข์ได้ละเอียด ท, ทั้งทุก หยาทุกรางทุกละเอียดเราเห็นหมดเลยเพราะเรามีตัวปัจจุบันคือตาในเนี่ยเห็นชัดเพราะนั้นอย่าตัวสติเป็นอะไรบางอย่างที่บางบางเบาเบที่คนเราผู้ไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าเออนี่คือสติเพราะเราข้ามมันมาอาจารย์ครูคิดจะใช้คาว่าไอ้ที่ว่ามันยากอะ่ะเพราะมันง่ายเกินไปมันเลยยากเออใช้คำพูดที่นาชินมันยากมันง่ายเกินไปมันกลายเป็นเรื่องยาก ก็คือมันมันละเอียดกับข้ามในรายละเอียดนี่แหละอย่าไปดูถูกมันเลยทีเดียวเพราะนั้นบางทีเรานั่งปฏิบัติเนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องขบเรื่องปวดเรื่องไม่ไม่มีความหมายเลยบางทีนะแต่สําหรับผู้ใหม่ ย, ยังมีความหมายอยูอ่หมายก็ว่าเวลานั่งเป็นนานา ม, มันปวดเนี่นก็ทนไม่ได้ก็ใจมันก็บุญละ แต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยมันความไม่สบายกายก็คือความไม่สบายกายเพราะมันถูกกำหนดรู้มันก็เลยไม่ก่อให้เกิดโทมานัทมันทะลุถึงจิตไม่ได้รู้ว่าความรู้สึกไม่สบายกายเป็นอะไรเป็นเวทนาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนานะจิตเข้าไปรับรู้ก็สักแต่ว่าจิตมันไม่ใช่เราแล้วนะลมันก็จะไม่ไม่แปลงเป็นอารมณ์ เขาเป็นเศตรตวารู้เพราะฉะนั้นในประตูใหญ่ๆในะอายตนะทั้ง6กไอ้ส่วนที่มันเป็นแอคทีฟที่มันค่อนข้างจะรับอะไรได้ไวได้เร็วมีแค่3ประตูนะไอ้ส่วนที่เป็นพาสซีฟค่สาประตูไอ้ตัวประตูใหญ่ๆที่มันเร็วมันแค่3มคือตาเห็นหูได้ยินใจรู้สประตูสตัวเนี่ยสร้างเรื่องมากมายเลยแต่อีกสตัวไม่ค่อยสร้างเรื่องนะลิน้น อาจจะหมูกลิ้นกายเนี่ยเมื่อถ้ า, า, า, าถูกเข้ากระทุบทบแรงๆเขาถึงจะสร้างเรื่องให้เราแต่สามตัวเนี่ยมันก็การตาเห็นเราคิดในเรื่องที่เราเห็นเป็นเรื่องปเป็นราวได้ทั้งหลายหลายเรื่องเลยทั้งทั้งเรื่องนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรานะั้นเราเอามาคิดเป็นเรื่องปเป็นราวได้หูได้ยินนะก็เอามาคิดเป็นเรื่องปเป็นราวได้หรือแม้แต่จิตของเราเนี่ยแวบบไปสร้าง ท, ทั้งได้เรื่องที่นำมาคิดไม่เกี่ยวข้องในเราแม้แต่นิดเดียวนะแต่คิดได้เป็นเรื่องเป็นราวถามว่าคิดไปทำไมไม่รู้เหมือนกันคิดไปทำไมหามาเห็นผลว่าไม่รู้คิดไปแล้วเดี๋ยวเผอ่อว่า ม, มันไปคิดอ๋อมันเป็นวิสัยของมันเป็นวิสัยของจิตเขาแจิตจิตตะวิสัยเป็นโคจรของมันเท่านั้นเราจะไปให้จิตไปกับโคจรในตัวแบบนั้นเลยนะให้มันมาโคจรในตัวรู้ ให้จิตมาโยจรร่วมกับตัวตัวกายเนี่ยให้จิตมารับรู้ความทุกข์ของกายแทนที่มันจะไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านเรื่องราวต่างๆนั่นหมายความมันหลบ ม, มันหลบอาการทุกข์อันนี้เราต้องกลับเข้ามามันพยายามที่จะไปสร้างเรื่องนะดังนั้นเองในการเจริญสติแบบนี้มาเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้จริงๆ สมัยก่อนเคยนั่งทำสมาธินั่งหลับตามาโดยวิธีการพุโทโธสมาหลังหนอมาเนี่ยมันไม่ชัดแจ้งขนาดนี้มันไม่มั่นใจขนาดนี้เพราะอะไรเพราะมันมัวไปติดสนุบติดสุขมันไม่เกิดปัญญาแต่พอมาทํำเผชิญหน้ากับทุกข์ด้วยสติสัมปชญญะเนี่ยปัญญามันแปลงเป็นปัญญาล้วนๆเลยทีนี้อ่แปลงไปเพราะเผชิญนะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเกิด และปัญญาที่เกิดมันก็สามารถสัมผัสได้ในสิ่งที่ละเอียดประณีตขึ้นเพราะฉะนั้นอาการที่ท่านว่าไว้ในเรื่องลมหายใจก็ดีอีบุตสีก็ดีอีบุตรย่อยก็ดีก็คือการร้อยเรียงไอรายละเอียดต่างๆที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเข้ามาเป็นขบวนการของความรู้สึกตัวให้หนาแน่นให้หนักแน่นมากขึ้น เพราะความหนักแน่นความหนานแน่นของพื้นที่ต่างๆก็อาศัยความละเอียดถ้าอะไรที่มาวางด้วยการอิลงโครงเครงเหมือนหินเนี่ยไม่แน่นไม่ละเอียด <c oughs> แต่แต่ถ้าหากว่าเป็นทรายเป็นปูนนะยิ่งละเอียดลงไปก็ยิ่งแน่นใยเร็วเพราะมันละเอียดมากดังนั้นะถ้าเราเก็บรายละเอียดงความรู้สึกตัวในอดีย บ, บทเล็กน้ได้ละเอียดมากสติสัมปชัญญะมันจะหนานแน่นมากอนะ เมื่อสติสัญญาบรรลุแ น, น, น่แล้วเนี่ยอารมณ์หรือความคิดที่มากระทบปรุงแต่งมันมันไม่สามารถจะมาขย่าวจิตให้วิ่งไปกับมันได้ละเพราะจิตมาพึ่งตัวสติสัญญาเสร็จแล้วเนี่ยมันคงเพราะนั้นอารมณ์ที่มากระทบมันก็ไม่จะแทกให้จิตของเราไปซัดเซพเนจรคิดเรื่องราวต่างๆได้นะเพราะมันมีตัวสติสัญญาความรู้สึกตัว เ, เป็นรากฐานที่ชัดเจนเนี่ย เพราะนั้นในปีใหม่เนี่ยขอให้ไปเก็บเล็กผสมน้อยในอิริบุตรต่างๆพระปราผาปาหาย ใ, ใจเร็ว้ายไหลขวากลุ่มเงยหยิบหยับจั บ, บชวยเหลวต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในสัมปชาาาัญญะบัพพะท่านแยกไว้ละเอียดถึงเจถึงเจดหมวดด้วยกันใช่ไหมนับตั้งแต่อะไรเดินหน้าถอยหลังอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชัญการิโหติเหลว้ายไหลยขวา อโลกิเตวิลกิเตสัมปชัญญะิกกาเรหโหติสัมมินชิเตปาสาริเตยกมือสร้างจังหวัดคูเหยียดเคลื่อนไหวจับนู่นจับนี่สัมมินชิตเเตปัสาริเตมายบมือสร้างจังหวัดนะผมคูเหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไหมอันที่สามอันที่สสังขาติปตะจีวรธาตถ้าเป็นพระนะนุ่งสมบุญทรงจีวรห่มสังขาติหรือถ้าเป็นชาวบ้านพุทยมก็แต่งเือแต่งตัวผัดผ้าใส่ผ้า ถูหน้าทาแป้งอาบน้ำํำนะปัจจะลรปศัสาวะกะเมเข้าห้องน้ำพุ่งส้วงท่ายหนักถ่ายเบามีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มกินการเคี้ยวมีกี่จังหวะกินอย่างไรเคี้ยวอย่างไรริ้มลดเป็นอย่างไรเนี่ยลดเข้าลิ้นไปรู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบมีรายละเอียดตรงนั้นเคยสังเกต เกลยดกันบ้างไหมคาเตทีเตกันไปกันมากันนั่งกันพูดกันนิ่งการหลับไม่กระทั่งการหลับนะและรายละเอียดเหล่านี้ท่านว่าไม่หมดนะในสัมมัล้รื่อว่าเรื่องอีบทย่อยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษามาก ดังนั้นเองถ้าหากว่าเราลงรายละเอียดเหล่านี้จิตมันนิ่งเองจิตมันสงบเองโดยที่ไปไม่ต้องไปบังคับมันยากในการที่เราบังคับให้จิตสงบสิกสงบเพราะว่าเราไม่มันก็มันสงบเพราะการบังคับอ่ะมันสงบเพราะการสะกดอ่ะมันไม่ได้สงบเพราะการรู้มันจึงสงบได้ไม่นานไงสมถะแต่ถ้าเราคอยดึงจิตมารู้ในสิ่งเหล่าเนี้ยรายละเอียดเหล่านี้ยให้รู้มันก็สงบโดยอัตโนมัติทองมัน เพราะมันมัวมารู้เกิดปัจจุบันไอ้รู้ปัจจุบันมันสงบแล้วแต่จิตไม่สงบก็คือมันปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตเท่านั้นเองแต่ถ้ามันมารู้นะปัจจุบันขณะนี้อะไรเกิดขึ้นแล้วรู้สักแต่ว่ารู้นะที่มันจะสงบได้นะถ้ารู้ว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันอันนี้มันไม่สงบแล้วนะคือรู้ในส่วนที่เป็นปรมัตสักแต่ว่ารู้เนี่ยเป็นรู้สักแต่ว่าเป็นปรมัตต์ตัวนี้เป็นความสงบทันทีเลยแต่ถ้ามารู้ลงไปในลักษณะ อนุพยัญชนะแจกแจงแยกแยะปรุงแต่งอันนี้ไม่สงบแล้เพราะฉะนั้นต้องเขา้าใจรู้มีสองรู้หนึ่งรู้ปรามาัตดคือรู้สักตะวันรู้เฉยๆสงบอแต่ถ้าไปรู้ในส่วนที่เป็นสมมุติแยกย่อยในรายละเอียดสีสันรูปลักษณ์อันนี้ก็ไม่สงบแล้วมันก็ไปตามมันนั้นนะ <c oughs> ฉะนั้นเองเรื่องนี้น่าศึกษามากเมื่อมาเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะไม่มีจิตที่จะแบ่งไปคิดเรื่องอื่นได้เลยเพราะมันมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงแต่ละเวลารูปมันเป็นนิจจังทุกขรังหน้าตาให้เห็นเราก็ตามรู้ข้อมูลเหล่านี้ไปเรื่อยๆจิตของเ ร, เราก็สงบไปโดยอัตโนมัติของมันโดยที่ไม่ต้องไปบังคับให้มันยากมันสงบของมันเองนะบางคนที่คนเพิ่งเริ่มต้นถามว่าหลวงพ่อ ระหว่างเจริญสติกับสมาธิเนี่ยเราทำมันไหนก่อนก่อนที่ผมจะนอนเนะี่ยผมคนทั่งสมาธิก่อนหรือว่าคนจะสร้างจังหวะก่อนเอออย่างงี้ก็มีนะนี่ก็มีมาก็ถามว่าเวลากูนกินข้าวเนะี่ยคุณกินไหนก่อนระหว่างข้าวกับกับคุณกินข้าวอิ่มแล้วก็ค่อยไปกินกับหรือคุณกินข้าวกินกับอิ่แล้วก็ค่อยไกินข้าวอย่างนั้นหรือเปล่าโอไม่ใช่นะว่าเอาคุณกินแบบไหนก็แค่ข้าวทั้งกับไปเรื่อยกันนั่นแหละอ้าว ถ้าคุณกินข้าวก็เคุณถามว่าผมจะนั่งสมาธิก่อนได้ไหมถ้าคุณถามว่าคุณกินกับก่อนคงจะมานั่งสร้างจัวะก่อนได้ไหมคุณถามกางถามแบบนั้นนะเดี๋ยวนี่ยถ้าคุณากินข้าวทังกับเท่าผมนั่งสร้างจัวะไปเนี่ยจิตผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทั้งข้าวทังกลับไปในตัวน่ะแล้วคือผมนั่งสมาธิผมก็รู้สึกตัวชัดๆเคลื่อนไหวให้รู้ชัดๆอืมอันนี้ก็เสี่ยงนะเพราะเดี๋ยวมันก็ไปสงบอยู่ดีแหละแต่คุณยก มือทักกระตุ้นความรู้สึกอะไรลงไปใจอยู่ที่นี่มันสงบเพราะมันแล้วในอาการที่คุณไม่คิดไปเรองอื่นมันสงบแล้วแต่คุณไม่เข้าใจสงบสงบคุณนึกไม่คิดไม่รู้ไม่ยอมรับรู้อะไรอันนั้นมันสงบแบบพรามแบบดุษีไม่ใช่สงบแบบพุท ธ, ธะสงบถท้ต้องสงบด้วยความรู้ไม่ใช่สงบด้วยความไม่รู้แล้วก็คนนักปฏิบัติคนไทยเราเป็นอย่างเงี้ยเก้าสิบอร์ตามแก้ไขไม่ได้หรอกพระท่านก็โปรโมดให้ทําอย่างนั้นด้วย นะเพราะว่าผ้าเราที่เป็นพุทธเนี่ยมีไม่มากไม่ถึงสิเปอร์เซนต์เมืองไทยเรานอกนั้นเป็นพราหมณ์เก้าสิบเปอร์เซนเพราะนั้นเราไปโทษนะความเข้าใจนี้ก็ไม่ได้เพราะสอนกันมาหลายศตรวรรษแล้วแล้ก็มีจํานวนมากด้วยนี่คือความยากของมันนะมันตัวพุทธะจริงๆไม่ได้ยากเลยแต่ว่าการที่เรามีลัทธิเยอะในลัทธิสัพติปัฏฐานเนี่ยสมัยก่อนพุทธเจ้าท่านสอนองค์เดียวกับสาวกเรื่องสัพติปัฐาน แม้จะมีลัทธิหรสีสีภัยยอะแยะ ก, ก็ตามไม่ได้พูดแบบเดียวกับพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้พูดเรื่องเดียวกันแต่คนละอย่างพูดเรื่องสติปัฏฐานเหมือนกันสติปัฏฐานแบบไหนอ่ะแบบหน่อไหมพุโทโธไหมหนอหรือเคลื่อนไหวเอ๊ะสติปัฏฐานแบบไหนมันถูกคะแนนนี่คือความยากของมันมันมีหลายบริบทในเรื่องเดียวกันแต่หลายบริบทมันสับสนในเรื่องบริบทไม่ใช่ตัวหลักดังนั้นก็จึงให้ชัดเจนในอันหนึ่ง นะถ้าไปทำหนอก็ต้องให้มันชัดเจนแบบหนอจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ชัดเจนในไรื่สักอย่างเนี่ยามาลองมาสร้างจังหวะดูบ้างก็ทำไปพอมันรู้ว่ามันสงบหรือไม่สงบไปต้องการอย่างนั้นสร้างจังหวะบอกว่าพิธีนี้ไม่ต้องการความสงบแบบไม่รู้นะแต่ความสงบแบบรู้นะถ้าคุณทำถูกต้องในะความสงบแบบรู้มันเป็นไปเองเหรอคุณไม่ต้องการมันก็เป็น แต่ถ้าคุณต้องการเอ๊ะทำแบบนี้จิตไม่สงบเลยใช่ถูกต้องเลยเพราะทําแบบนี้เราไม่ต้องการให้จิตสงบแต่ก็ให้จิตรู้และจิตรู้มันสงบมันถึงรู้ทําไม่สงบมันไม่รู้อย่านี้ดังนั้นไปทำความเข้าใจเสใหม่แล้วก็ภาวนาประจําวันนั้นที่เราไม่ต้องไปรบกวนถามไถ่อะไรกันมากก็เพื่อให้ไปพิสูจน์ตัวเองว่าทําเป็นไหมทุกก็มีให้เห็นแล้ว สติสมิญญะก็มีทั่วพร้อมให้ให้ดูละนะเราก็ทําถูกวันผิดบ้างไปเรื่อยเพื่อให้มันเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากรู้ถูกรู้ผิดนั่นแหละหลวงพ่อครูบาอาจารย์มาสอนปัญญาไปอย่างนี้ทุกวันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ใช่ปัญญาของเราเป็นปัญญาของท่านแต่ปัญญาของเราเราต้องเรียนรู้จากเรื่องถูกรเรื่องผิดของเราเองอันไหนมันถูกมันทําให้เกิดอะไรอันไหนมันผิดมันทําให้เกิดอะไรแล้วตัวถูก ตัวผิดที่มันเกิดเป็นผลเป็นผลทั้งเป็นทุกข์เป็นโทษอะเนี่ยมันก็จะสอนเราว่าคุณจะเลือกอันไหนถ้าคุณทําไม่ถูกแล้วมันทุกข์อ่ะคุณจะเอาหรือไม่เอาต่อไปคุณจะทําหรือไม่ทําต่อไปถ้าทําถูกแล้วมันไม่ทุกข์อ่ะคุณจะทําหรือไม่ทําต่อไปมันจะเกิดปัญญาขึ้นมารู้เองแล้วคุณก็เลือกมาให้ถูกก็แล้วกันนะพอแล้วเนอะอมเมื่อยแล้วอะ่ะ เราจะไม่ต้องไปจำมันนะพูดมาทั้งหมดไม่ต้องไปจำนะจำไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเก็ดอไอ่ไหนแล้วมันจะไปทำมันนั้นแหละนะแต่ละคนอาจจะเก็ดไม่เหมือนกันนะก็ขออนุโทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะนำไปศึกษาปฏิบัติให้หินตัวเองนะ บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ถูกปลูกตัวเองด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นส ม, มาธิธิด้วยกันทุกคนทุกท่านถืน